Mm hmm มารู้จักผู้หญิงคนหนึ่งนะพวกเราบางคนในที่นี้ก็อาจจะรู้จักนะชื่อกันอายประมาณส0สิบปลายปลายสี่สิบต้นต้นป่วยด้วยโรคมะเร็งตอนที่รู้จักนี่ก็อยู่ในระยะสุดท้ายแล้นะแต่เธอก็มนะีสีหน้าสดชื่นแจ่มใสไม่มีเขาของคนที่ ป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายเลยให้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าแล้วก็ไม่ปล่อยใจให้จมอยู่ในความทุกข์ทำตัวเป็นประโยชน์รับเชิญไปบรรยายตามที่ต่างๆเพื่อให้ผู้คนเนี่ยที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งเนี่ยไม่รู้สึกท้อแท้แล้วก็รู้จักนะวางใจให้ถูกต้อง เธอก็ทำเฟซบุ๊่วมกับน้องๆอีกสองคนที่เป็นมะเร็งเหมือนกันนะให้กำลังใจผู้ป่วยแนะนำวิธีการดูแลรักษาตัวแล้วก็การฝึกจิตฝึกใจด้วยเฉพา ะ, ะกันเนี่ยนะเขาก็พอรวบป่วยเป็นมะเร็งเาก็หันม า, นนาเตรียมตัวเตรมใจฝึกสมาธิภาวนา เรียนรู้การเตรียมตัวตายนะด้วยใจสงบแต่ก็ไม่ได้ทำอย่างนั้นอย่างเดียวนะก็ยังใช้ชีวิตยังมีนะความสุขด้วยเที่ยวนะหรือว่าเติมสีสันรสชาติกับชีวิตอันนี้ก็เป็นช่วงที่เธอนะยังสามารถที่จะเดินเหินไปไหนได้ถึงแม้จะต้องพกเอา ถุงนะที่เจาะเข้ากับกระเพาะเธอก็จะเป็นกระเพาะปัสสาวะเนี่ยติดตัวไปได้ตลอดเวลาไปเที่ยวก็พกไปด้วยนะไปงานปาร์ตี้ก็พกติดตัวไปไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องน่ารังเกียจนะก็สามารถจะมีความสุขทุกวันได้เหมือนกับคนทั่วๆไปหรืออาจจะยิ่งกว่าก็ได้ พอเธอคงรู้สึกว่าแต่ละวันยังมีคุณค่ามีความหมายไม่เหมือนคนส่วนใหญ่ที่ไม่รู้ว่าตัวเองจะตายเมื่อไหรหรือประมาทนะก็รู้สึกว่าแต่ละวันมันก็เหมือนวันอื่นนะไม่ค่อยมีคุณค่าเพราะเดี๋ยวก็มีพรุ่งนี้เดี๋ยวก็มีมารือ น, นี้นะซึ่งความคิดอย่างนี้ทอดไปก็เป็นความประมาทอเธอกเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อสองเดือนสองเดือนที่แล้วนะก่นะอนที่เสียชีวิตก็ได้ สั่งสีเอาไว้นะว่างานศพของเธออย่าไปอย่าแต่งสีดำนะให้ใส่เสื้อตาปกติให้มีบรรยากาศความรื่นเริงนะไม่ต้องโศกเศร้าศพเธอก็ตั้งที่บ้าน น, นิมนต์พระมาสวดแล้วก็มาสนทนาธรรมกันก่อนตายเธอก็ได้เคยมามาหามาคุยมาสนทนากับตามาแล้วก็บอกว่า ถ้าตายแล้วก็ให้ช่วยไปแสดงธรรมหรือว่าบรรยายธรรมด้วยเมื่อไหร่ก็ได้นะแล้วก็กำหนดหัวข้อให้ด้วยนะให้พูดเรื่องสติกับความตายก็รับปากเอาไว้นะแต่ก็ไม่คิดว่าเธอนะจะอไปเร็วนะก็เพิ่งไปแสดงธรรมที่ส่วนมอกรุงเทพเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วนะในงานที่ เพื่อนๆจัดให้เธอตามที่เธอได้สั่งเสียไว้ในพิธนกรรมแบบง่ายๆนะว่าให้ให้มีการทำกิจกรรมเช่นปฏิบัติธรรมหรือว่าแสดงธรรมเพื่อให้งานศพมีคุณค่าแล้วก็เพื่อสนองเจตนาลมของเธอที่ต้องการให้คนเนี่ยได้ใช้ประโยชนนะ์จากความเจ็บความป่วยหรือว่าสามารถจะมีจิตใจที่ สงบสได้แม้ว่ากายจะป่วยก็ตามข้อกว่ที่เธอตั้งไวน้นี่น่าสนใจนะสติกับความตายเพราะที่จริงแล้วเนี่ยสติกับความตายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างมากสติไม่ใช่เป็นเรื่องของชีวิตเท่านั้นนะมันเป็นเรื่องของความตายในแง่ที่ว่าถ้าเรามีสติรู้ตัวเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะตนัก อ, อยู่เสมอว่าเราเนี่ยสักวันหนึ่งต้องตาย เฉพาะเวลาที่เราหลงนะเช่นเพลินในความสุขหรือวหมกมุ่นกับการงานเราจึงจะลืมไปนะว่าสักวันหนึ่งเราต้องตายแล้วคนหลายคนก็พยายามที่จะทําตัวให้วุ่นทําใจไม่ให้ว่างเพื่อจะได้ลืมเพื่อจะได้ไม่ต้องนึกว่าสักวันหนึ่งฉันต้องตายอาการทำอย่างนันก็คือทําให้ตัวเองลืมหรือว่าหลงนั่นเอง คนเราเนี่ยไอเรื่องความตายเป็นความจริงที่เราเห็นอยู่ทุกเมื่อทุกทุกเมื่อเช้าวันเห็นความเกิดดับที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาพาี่ขึ้นพาดิตกต้นไม้ขึ้นแล้วก็ตายแห้งเฉาดอกไม้บานแล้วก็ร่วงโรยนะข่าวความตายของผู้คนตามหน้าหนังสือพิมพ์นะยิ่งสมัยนี้เราเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเยอะแยะก็จะรับรู้ถึงความตายของผู้คน มากมายรวมทั้งความตายที่เห็นตามละครภา พ, พยนตร์เพราะนั่นเนี่ยถ้ามีสติรู้ตัวเนี่ยมันยังไงก็ต้องตระหนักนะเสมอว่าสวันหนึ่งเราต้องตายแต่เป็นเพราะว่าไม่อยากจะมีสติหรือว่าตั้งใจจะลืมตั้งใจจะลงนั่นแหละนะเพืได้ถึงไม่ตระหนักว่าเราจะต้องตายที่จริงมันยังมีสติชนิดหนึ่งนะสติมาสักครู่เนี่ยพูดถึงในแงวเป็นสติที่เรียกว่า สัมมาสติก็คือมีความรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันขณะแต่มีสติอีกชนิดหนึ่งนะที่เกี่ยวข้องกับความตายโดยตรงก็คือมรณสติมรณสติในที่นี้ก็หมายถึงความระลึกได้ถึงความตายของตัวหรือความตระหนักว่าสักวันเราต้องตายตายแน่แต่ตายเมื่อไหร่ไม่รู้ถ้าเราเจอมรณะสติเป็นเนี่ยก็จะตระหนักอยู่เสมอว่า เราสามารถจะตายได้ทุกเมือ่อซึ่งก็หมายความว่าอาจจะตายวันนี้คืนนี้พรุ่งนี้มรืนนี้นะก็ได้และความตระหนักเช่นนี้ทำให้เราเนี่ยขคนไควนะ่ไม่ปล่อยเวลาให้เปล่าไปโดยปล่าประโยชน์จะต้องเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมใจก็ก็หมายถึงการฝึกนะสมาธิภาวนาเพราะว่าหลายคนก็กลัวตาย ก็ต้องฝึกใจให้ไม่กลัวต่อความตายพร้อมเจชิความตายได้เตรียมตัวก็เช่นทำการงานที่รับผิดชอบนะให้ดีที่สุดไม่ให้ข้างคางโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับคนรักเช่นพ่อแม่ลูกดูแลใจใส่เขาอย่างดีเพื่อว่าถึงเวลาที่เราจะเข้าไป ก็จะได้ไม่มีความห่วงหาอะไรเพราะว่าทำดีที่สุดแล้วคนเราเมื่อทำกิจอย่างเต็มที่นะการทำจิตคือปล่อยวางเนี่ยก็ทำได้ง่ายเตรียมตัวยังมาถึงตเตรียมเรื่องสะสมเรื่องงานการที่ค้างๆไม่ให้เป็นภาระแก่คนอื่นนะจัดการเรื่องทรัพย์สมบัตินะหรือแม้กระทั่งงานศพนะอย่างกันนี้เขาก็ เ, าเตรียมอาไว้เรียบร้อยนะเรื่องงานศพควรจะทาอย่างไร แม้กระทั่งรูปถ่ายในงานศพเนี่ยจะเป็นรูปไหนก็เตรียมอาไว้ไม่ต้องเป็นภาระคนอื่นต้องเตรียมตัวเตรียมใจไอ้ต้องเตรียมคนด้วยเตรียมคนที่เขาอยู่กับเราให้เขาทําใจได้วางใจถูกเมื่อเราต้องจากไปเช่นเตรียมรูปว่าแม่หรือพ่อนะไม่อยู่คําฟานส่ว น, น, นก็ต้องจากไปถ้าจากไปลูกก็ต้องทําใจได้นะเพราะเป็นธรรมดานหรือเตรียม เตรีย ม, มพ่อแม่นะว่าบางทีลูกอาจจะไปก่อนพ่อแม่ก็ได้มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ใครจะควบคุมบังคับบัญชาได้อันนี้เป็นการเป็นการใช้สติในยามที่ยังมีสุขภาพดียังไกลจากความตายหรือยังรู้สึกว่าไกลจากความตายอยู่นะสติเนี่ยนะถ้าหากว่าเราใช้ให้ถูกต้องนะ การดำเนินชีวิตของเรามันก็จะเป็นไปอย่างมีคุณค่ามีความหมายแล้วก็เตรียมพร้อมตลอดเวลานี่ขนาดว่ายังไม่เจ็บไม่ป่วยมีสุขภาพดีนะสติเนี่ยช่วยมากยิ่งในยามที่เราเจ็บป่วยด้วยแล้วเนี่ยยิ่งมีความสำคัญกัาไปใหญ่หลายคนเนี่ยพอรู้ข่าวว่าตัวเองเป็นมะเร็งทั้งทั้งที่อาการยังไม่แสดงออกนะเพียงแต่แค่พบเห็นอ่าก้อนเนื้อในอวัยวะ ก็ยังทำงานได้ปกติยังเล่นกินแล้วยังเล่นได้แต่พอมาว่าเป็นมะเร็งนะสุดเลยนะไอ้ที่สุดเนี่ยไม่ใช่ร่างกายสุดนะใจสุดนะกลัวตื่นตันหนกยอมรับไม่ได้ซึ่งก็ทำให้ร่างกายนอกจากจะแย่แล้วใจก็เป็นทุกข์แล้วก็ยิ่งทำให้เวลาที่ควรจะทำอะไรที่มีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมคนนะก็ไม่ได้ทำเพราะเอาแต่เศร้าเอาแต่ซึมเอาแต่ หมดอะไรตายอยา ก, กชีวิตตีอกชกข้อตีโพตีภายทําไมต้องเป็นชั้นเนี่ยอั น, นนี้เรียว่าเป็นความประมาแล้วเป็นความเป็นความไม่ฉลาดอย่างยิ่งนะสติเนี่ย ส, สำคัญมากเลยเวลาที่เจ็บป่วยเนี่ยพราะถ้าเราตั้งสติได้เนี่ ย, เ, ยเราจะยอมรับความจริงได้แล้วเราจะรู้ว่าตีโพตีภายไปก็ไม่มีประโยชน์เอแต่ตีอกชกข้อ มันก็เป็นการซ้ำเติมตัวเองยิ่งยิ่งนั่งสติได้เท่าไหร่ก็ยิ่งรู้ว่าเวลาแต่ละวันมีค่านะเราต้องทำให้มันมีประโยชน์มากที่สุดอย่างน้อยๆก็จะต้องคิดหาว่าจะรักษาตัวอย่างไรนะไม่ใช่เอาแต่เศร้าซึมก็กลายเป็นว่าอยู่เหมือนคนตายนะหรือว่าตายทั้งเป็นคนอย่างนี้มีเยอะมากเพราะว่า สติเอาไม่อยู่และที่สติเอาไม่อยู่เพราะว่าไม่ได้คิดที่จะตั้งสติเอาไว้ตั้งแต่แรกคนเราเมื่อรู้ว่าป่วยเนี่ยไม่ว่าป่วยด้วยโรคอะไรก็ตามเนี่ยอย่างแรกที่จําเป็นต้องมีคือตั้งสติให้ได้แล้วก็ยอมรับความจริงเพราะถ้าเราไม่ยอมรับความจริงเนี่ยเอาแต่คิดถึงว่าฉันไม่น่าเป็นเลยเนะฉันไม่น่าเป็นฉันอุตส่าห์ดูแลสุขภาพอย่างดีนะ ฉันอุตส่าห์ทำบุญมามากมายทําไมฉันต้องมาเป็นมะเร็งไม่เป็นธรรมเลยบางคนนี่โกรธเกลียวมากนะอุตส่าห์กินอาหารสุขภาพมาทั้งชีวิตนะเสียเงินเสียทองไปเยอะแยะนะกับอาหารเสริมสุขภาพออกกําลังกายก็ทุกวันด้วยความหวังว่าจะมีสุขภาพดีจะปลอดมะเร็งแต่พอรั่วตัวเเป็นมะเร็งนี่โกรธนะ แล้วก็ปล่อยความโกรธนี่เผาใจก็ยิ่งทำให้ร่างกายสุดนะมีบางคนเนี่ยกลาดเกลียวนะกราดเกลียวระบายออกไปที่หมอที่พยาบาลนะเวลาเจ็บป่วยเวลาไปหาหมอเพราะรู้สึกว่าโลกนี้มันไม่เป็นธรรมนะฉันอุส่ดูแลสุขภาพอย่างดีทำไมถึงต้องมาเป็นอย่างนี้ไม่มีความสุขเลยคุณภาพาชีวิตก็ย่ำแย่สุดท้ายเวลาตายก็ตายแบบทุรนทุรายนะเพราะไม่ยอมรับความจริง จนจนะทัางจะตายแล้วยังไม่รับความจริงว่าทำไมถึงต้องเป็นชั้นแต่ถ้าเราตั้งสติได้เนี่ยใจมันจะยอมรับความจริงแล้วก็ปัญญาก็จะมาปัญญาก็จะบอกให้เรารู้ว่าการคร่าครวญไม่มีประโยชน์การตีโพยตีพายม่อย่าซ้ำเติมตัวเองการที่เรามีสติมันทำให้เราขนควายว่าเออในเมื่อเวลาเราเหลือน้อยเนี่ยเราควรจะมีความสุขทุกวันนะ นะควรทำแจงแ้งเราให้มีความสุขนะเก็บเกี่ยวความสุขที่มีอยู่รอบตัวและขณะเดียวกันก็ทำให้มีคุณค่าด้วยแต่ละนาทนะีแต่ละชั่วโมงแต่ละวันนะอย่างกันเนี่ยนะเขาก็เพื่อนเพื่อ น, นี่เวลาเขาป่วยนี่เขาไม่ไม่เอาแต่จมอยู่ในความเศร้าตื่นตัวขึ้นมาแล้วก็พยายามนะทำให้แต่ละวันมันมีความหมายมีบางคนนะพอรู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งนะ แทนที่จะเศร้านะเขากลับรู้สึกมีชีวิตชีวาขึ้นมาทันทีเลยอย่างนักดนตรีคนหนึ่งนะชาวอังกฤษเนี่ยอายุหกสิกว่าแล้วเนี่ยกำลังแสดงสดอยู่นะอยู่ดีๆป่วยกระทันหันพาส่งโรงพยาบาลปรากฏว่าเป็นมะเร็งตับอ่อนโรคเดียวกับสตีฟจ็อบอยู่ได้ไม่เกินหนึ่งปีพอจะโรงพยาบาลนะแทนที่จะหดหูนะแกรู้สึกมีชีวิตชีวาเลยเห็นท้องฟ้าเห็นต้นไม้นี่มันสวย มันวิเศษจริงๆนะรู้สึกอิสระมากนะเหมือนกับคนนกที่ปลิวไปตามสายลมมองอะไรก็ดูสวยงามไปหมดแต่แล้ววินาทีนี้มันกลายเป็นสิ่งที่มีค่าไอ้โรคไอ้ที่เคยเป็นโรคซึมเศร้านี่หายเลยนะเขถึงก็ออกปากว่าทำไมไม่เคยรู้สึกไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนหรือว่าทำไมไม่เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่แรกๆพอเขารู้ว่าเนี่ยพอพอเขารู้เขาจะต้องตายเนี่ยนะ แต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมันกลายเป็นวันที่มีค่าขึ้นมาทุกอย่างที่เห็นที่เคยมองแบบทันผ่านมันกลายเป็นสิ่งที่สวยงามเป็นสิ่งที่วิเศษนะต้นไม้ก้อนเมฆนะท้องฟ้าสายลมที่มากระทบเนี่ยเพราะว่าไม่รู้ว่าผู้นี้จะได้สัมผัสได้เจอมันอีกหรือเปล่าไอ้สติมันมันทําให้เราเนี่ยประสบกับสภาวะเช่นนั้นได้นะ แต่ถ้าเราไม่มีสติเราก็จมอยู่ไปในยุจมอยู่ในความทุกข์ในความเศร้าโศกในความโกรธแค้นตั้งสติให้ได้ยอ้อลรความจริงนแะล้วสติมองจําเป็นนะเวลาโลกมันลุกลามมากขึ้นจนทั้งเกิดทุกขเวทนานะความเจ็บความปวดเนี่ยปวดกายแต่ว่าไม่ปวดใจนี่มันทําได้นะ ก, นกนนะ็ใช้สติเหมือนกันใช้สติเนี่ยเป็นผู้เป็นเป็นเครื่องมือในการดูเวทนา ยังใจไม่ให้เข้าไปเป็นผู้ปวดผู้เจ็บนะเวลาเราปวดกายนะแม้แต่ขั้นต่ำๆเช่นเมื่อยขานะปวดแข้งนะให้เราสังเกตดูนะที่จริงมันก็แค่ปวดที่กายแต่ทำไมใจถึงทุกข์นะก็เพราะใจมันเผลอไปยึดเอาความปวดของกายมาเป็นความปวดของใจมีความรู้สึกว่ากูปวดกูปวด มันปรุงตัวกลัขึ้นมาเป็นผู้ปวดอันนี้เป็นอาการของการไม่มีสตินะแต่ถ้ามีสติเนี่ยสติมันจะทําให้ใจนี่เป็นแค่ผู้ ด, ดูไม่ใช่เข้าไปเป็นผู้เป็นนะอย่างที่หลวงพ่อกำเพีนแล้วพูดเสมอว่าเห็นอย่าเข้าไปเป็นในอย่างที่เจ็บปวดเนี่ยจําเป็นมากเนี่ยที่เราต้องเห็นความปวดเห็นเวทนาหรือว่าเห็นจิตที่มันเกิดโทสะเมื่อมีเวทนาเกิดขึ้นอย่าเพลอปล่อยใจให้เข้าไป เป็นผู้เป็นหรือเขาไปยึดนะเอาความปวดของกายเป็นความปวดของใจเน่ถ้าไม่ฝึกเนี่ยสตินี่มันทํายากเนี่ยมันจะเข้าไปเป็นอยู่ตลอดเวลาแม้แต่ผู้ที่ฝึกดีแล้วถ้าเผลอเมื่มอไหร่ก็มันก็เข้าไปเป็นนะมีผู้ป่วยคนหนึ่งเป็นมะเร็งลำไส้นะปวดมากนะในช่วง ท, ท้ายเนี่ยยาก็เอาไม่อยู่นะมอฟิล์มก็ใช้ได้ผลเพียงแค่ไม่กี่ไม่กี่นาทนะีไม่ถึงชั่วโมง ปวดมากเนี่ยแต่ว่าพอตั้งสติดได้เนี่ยพอเคยฝึกสติมาแกก็ว่าเนี่ยสติเนี่ยเอาจิตมาดูเอาจิตสติเนี่ยมันเอาจิตไว้ที่หัวไหลมาดูที่ท้องที่ปวดนี่ภาษาของคนของเขาเนะสติเนี่ยมันดึงจิตมาที่หัวไหลแล้วก็ดูท้องที่ปวดท้องปวดอยู่แต่ใจสงบเลย พรใจนี่เป็นแค่ผู้ดูแต่พอเพอ่สติเมื่อไรใจมันก็เข้าไปรวมกับกายก็ปวดตั้งสติได้อเอาจิตออกมาเป็นผู้ดูนะอะไรทำให้สติทาอะไรทาให้จิตเป็นผู้ดูได้ก็เพราะสตินี่แหลนะเพราะไม่งั้นให้ความปวดนี่มันจะดึงจิตเข้าไปนะเป็นผู้ป่วยตลอดเวลาใช้สติในการดูความปวดใช้สติในการดูเวทนา หรือว่าดูปฏิกิริยาของใจเวลามันเกิดเวทนาเนี่ยน่าสำคัญมากหลวงพ่ออมเขียนเนี่ยท่านก็ตอนที่ท่านปวดป่วยด้วยโรคมะเร็งขั้นสุดท้ายอก็ปวดนั้นท่านบอกไม่มีจุดไหนที่ไม่ไม่รู้สึกปวดเลยแต่ว่าท่านก็มีอากาศกริยาเหมือนปกตินะก็ทำงานทำการอะไรไปเท่าที่ก่อกลางวังชาจะมีไ ม, ไ, ไม่ได้โบนไม่ได้อดครวน ว่าปวดปวดเลยท่านบอกว่าเนี่ยตอนนี้ตอนนี้ไม่ไม่กี่อาทิตย์ก่อนที่ท่านจะมรณภาพนะท่านก็บอกแมนจะปวดยังไงนะก็ก็ปล่อยวางไม่เป็นอะไรกับอะไรมีสติเป็นผู้ดูนะไม่เป็นอะไรกับอะไรกับอาการของกายและใจนะก็เลยอยู่สบายสบายนี่คือสบายที่จิตนะแต่ว่ากายไม่สบาย เนี่ยใช้สติเนี่ยในการที่จะรับมือกับทุกขเวทนานี่มันเป็นเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวนะเพราะว่าอย่าไปหวังพึ่งว่าไอ้ความว่ายาเนี่ยมันจะช่วยรับมือกับความเจ็บป่วยได้เจ็บปวดได้บางทีมอฟีก็เอาไม่อยู่นะแต่สตินี่จะช่วยได้ยิ่งตอนใกล้จะตายเนี่ยยิ่งจาเป็นข้าไปใหญ่นะเพราะถ้าไม่มีสติเนี่ยมันก็ตายแบบที่ภาษาคนณบราเรียกว่าหลงตายนะ หลงตายคือไม่มีสติทุรนทุรายจิตก็ว้าวุ่นปรุงแต่งคิดถึงคนที่รักปล่อยวางไม่ได้อะไรในทรัพย์สินหรือว่าห่วงว่าจะไปตกนรกสารพัดเนี่ยในทางพุทธศาสนาเนี่ยนะถ้ า, าว่าจิตเป็นกุศลนะในวาระสุดท้ายเนี่ยโดยเพราะในช่วงที่จิตสุดท้ายเนี่ย ก็จะไปดีนะจิตสุดท้ายนี่เป็นภาษาชาวบ้านนะหมายถึงอาสัญนกกรรมคือกรรมก่อนตายถ้ากรรมดีนะหมายถึงมโนกรรมจิตเป็นกุศลน้อมนึกถึงสิ่งที่ดีงามเช่นพรนารตะนัตไตรน้อมนึกถึงความดีที่ได้ทำบนกุศลที่ได้บาเพ็ญรวมทั้งปล่อยวางสิ่งต่างๆไม่เอามากเกาะเกี่ยวยึดติดถือมานอีกต่อไปสละทิ้ทุกอย่าง อย่างนี้ก็จะไปดีไปดีมากๆเลยนะแล้วก็ยิ่งถ้าหากว่ามีสติจะทำกันได้ต้องมีสตินะพอจะมีสติเนี่ยมันจะมีแต่ความหลงเข้ามาครอบงำแล้วก็จะมีความยึดนะยึดข้าวของยึดคนรักไม่อยากจากไปเต็ไมไปด้วยความเศร้าโศกพอมีความเศร้าโศกเสียใจเกิดก็ยังยึดเอาไว้อีกนะไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางไอความรู้สึกเหล่านั้น ถ้ามีสติมันจะวางได้มันจะรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นนะมันจะรู้ทันว่าใจเผลอคิดไปในทางที่เป็นอกุศลแล้วนะีมันจะรู้ทันความกลัวนะเพราะว่าเวลาใกล้ตายความกลัวก็อาจจะเกิดขึ้นได้สติทําให้รู้แล้วก็วางแล้วก็ทําให้ใจเนี่ยน้อมไปในสิ่งที่เป็นกุศลได้แต่บางทีคนใกล้ตายก็มีสติไม่ค่อยไม่ค่อยมีนะจึงต้องมีคนมาช่วยนําทางเนี่ยมีพระมานํา นะหรือว่ามีญาติพี่น้องมานำให้เราลึกถึงพระรัตนตรัยให้เราลึกถึงความดีนะอันนี้ก็เป็นการช่วยเตือนสติให้เกิดพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสตินะเพราะว่าอนุสติสามประการเนี่ยที่จริงรวมถึงศีลานุสติและจารานุสติด้วยเนี่ยห้าประการเนี่ยมันจะช่วยทําให้ใจเป็นกุศลแล้วก็สามารถจะไปดีไปสุคติได้ คนธรรมดานะไม่มีสติพอที่จะระลึกถึงอนุสติห้าประการนี้ก็ต้องอาศัยคนช่วยอาศัยตัวช่วยนะแต่ถ้าเกิดเราไม่มีตัวช่วยลนะ่ะเราอยู่คนเดียวเนี่ยทำยังไงต้องพึ่งตัวเองแล้วแหละและสิ่งที่จะช่วยเราได้คือสตินี่แหละเมือ่อเมื่อจะตายเนี่ยมีสติรู้ทันความกลัวนะมีสติรู้ทัน นะความอาลัยเสียดายปล่อยวางมันได้น้อมใจนึกถึงสิ่งที่ดีงามสิ่งที่เป็นกุศลพรระัตนาไตรมันจะเป็นฐานให้พุทธานุสติธ ร, รมมาตุสติสังฆาตุสติเกิดขึ้นได้ถ้านะความเจ็บปวดยังไงทุกขเวทนาแรงกล้า ย, ยังไงนะก็สามารถจะอยู่กับมันได้โดยที่ไม่ทุกข์บางคนนี่ยอมรับไม่ได้นะเกิดความเจ็บความปวดจิตมันผักใสมัน มันพยายามที่จะต่อต้านไม่ยอมรับถึงตอนนั้นเนี่ยมันก็ยิ่งทุกข์กายและทุกข์ใจแต่ถ้าเราตั้งสติได้มีความสึกตัวเนี่ยมันยอมรับยอมรับได้ง่ายขึ้นอยู่กับทุกขเวทนาโดยที่ไม่เอยไปเป็นผู้ทุกข์ผู้ปวดมีอารมณ์ใดเกิดขึ้นนะก็ไม่ไม่ไปพลัดจมเข้าไปในอารมณ์นั้นเพราะมีสติอันนี้เลยช่วยทำให้ไปดี สามารถจะไปอย่างสงบได้ยยิ่งเจริญสติมาอย่างตั้งมั่นเนี่ยหลวงพ่อคําเขียรเนี่ยตอนตอนท้ทายนี้ท่านมีทุกขเวทนามากอย่างที่บอกนะปัญหาที่สําคัญก็คือการหายใจเพราะว่ามะเร็งที่ที่ตอนน้ําเหลือดเนี่ยมันขยายตัวเร็วมากเนะี่ยวันสุดท้ายเนี่ยประมาณตีห้าตีสี่เนี่ยท่านเริ่มมีปัญหาการหายใจเพราะว่าหลอดลมเนี่ยมันเริ่มจะตันะ เริ่มจะติดตันท่านก็ปลุกนะให้ลูกศิษย์เนี่ยที่ช่วยดูแลเนี่ยขึ้นมาก็พยายา ม, มทำทุกอย่างนะเพื่อทําให้หลอดลมมันขยายแต่ว่าก้อนมะเร็งก็ดันหลอดลมให้ตีบระหว่างที่กําลังชโลมมุนนะหลวงพ่อท่านก็ขอเข้าห้องน้ําท่านก็เดินเข้าห้องน้ําเองนะพอถ่ายหนักเสร็จท่านก็ล้างมือล้างหน้า แล้วก็ขึ้นเตียงตั้งก็ทําท่านเองตั้งที่การหายใจเนี่ยลําบากแล้วพอท่านขึ้นเตียงนะลูกศิษย์ก็ช่วยกันทําให้หลอดลมมันขยายก็ไม่สําเร็จนะจนท่านหลวงพ่อเห็นว่าคงจะไม่ได้การแล้วท่านก็เลยขอดินซอขอกระดาษแล้วก็เขียนนะพวกเราขอให้หลวงพ่อตายคือท่านบอกเ่ยคงไม่ได้ทําอะไรแล้วเพราะคงไม่สำเร็จแล้ว ท่านยื่นดินสอแล้วก็กระดาษให้แล้วท่านก็หลับตาแล้วก็นอนในท่าที่เรียกว่านอนหงายถ้วสักพักท่านก็หมดลมไม่มีอาการความทุลนทุลายเลยทั้งที่คนเราเวลาหายใจไม่ออกเนี่ยนะนันก็ต้องดิ้นรนกระเสือกกระสนนะแต่ท่า น, นไม่มีอาการอย่างนั้นเลย ใอ้ความเจ็บทุคเวทนาที่เกิดขึ้นก็คงจะไม่น้อยเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้ท่านก็ไม่ได้แสดงอาการนะเจ็บปวดหรือโอดครวนอะไรเลยถึงเวลาจะไปก็ไปเหมือนคนที่หลับเราเนี่ยอาจจะทําไม่ได้อย่างท่านนะแต่ว่าการที่เราถ้าเรามันฝึกสติอยู่เสมอเนี่ยมันจะไม่เพียงแต่ช่วยทําให้เรามีชีวิตที่เบาสบาย แต่ว่าเวลาตายนะเราก็สามารถตายสงบได้เฉะนั้นสติความตายเนี่ยมันมันเกี่ยวข้องกันมากเลยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของชีวิตนะมันไม่ใช่เพียงแค่ช่วยทําให้เราอยู่สบายแต่ช่วยทําให้ตายสงบด้วยแม้เราจะเรีสติเนี่ยบางทีนึกถึงเรื่องนี้มากก็ดีนะเออนะแต่ตายเมื่อไรก็ไม่รู้ใครจะตายยังไงก็บอกไม่ได้แต่ทุกคนคงอยากจะตายดีทั้งนั้นนะ เมื่อตายดีแล้วเนี่ยก็มีอะไรที่เป็นสิ่งช่วยเตรียมตัวเรานะให้เข้าสู่ภาวะเช่นนั้นได้นะนอกจากสติกับปัญญานะแต่ปัญญาต้องอาศัยสตินะเมื่อมีสติแล้วปัญญาก็เกิดนะปัญญาคือความเข้าใจความจริงของชีวิตจนกระทั่งเห็นว่าสังขารนี้ไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนอย่างที่เราสาธยายอ น, นันตตลกขณสสูตรมาสักครูนเนี่ยถ้เราเห็นขึข้เออ ร่างกายก็เป็นเรื่องของมันนะมันปวดก็เป็นเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราอย่างอาจารย์กำพลทองบุญรุ่นอย่างท่านก็บอกนะมันปวดมันเจ็บก็เป็นเรื่องของมันนะไม่ใช่เรื่องของเรานาะถ้าทํานี้ได้เนี่ยการความเจ็บมันก็ไม่ใช่เป็นปัญหาล้วและถึงเวลาที่จะตายก็ไม่ทําให้ทุกทรมานนะแถมจะไปดี บางทีไม่ใช่แค่ไปสงบนะอาจะไปแบบ ส, สว่างก็ได้ก็คือใช้สติเนะี่ยพิจารณาสังขารจนกรทั่งเข้าใจเรื่องไตรลักษณ์ตอนป่วยหนักๆตอนจะตายเนี่ยสังขารนี่มันแสดงไตรลักษณ์อันนี้ทั้งทุกขังอนัตตาชัดเจนนะแล้วถ้ามีสติเห็นมีสติดูนะความเปลี่ยนไปของสังขารเนี่ยโอกาสที่จะเกิดปัญญาเข้าใจแจ่มแจ้งในไตรลักษณ์จนทั่งหลุดพ้นนะ ก็ได้ปัญจวัคคีเนี่ยท่านเข้าถึงอรหัตอรหัตพผลเนี่ยจากการที่ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าอนัตตลัคณะสูรแล้วท่านก็เข้าใจความจริงเรื่องไตรักนะแต่ว่าก็มีบางท่านเนี่ยสามารถที่จะเห็นไตลักนี้ในยามที่เจ็บป่วยอย่างหนักแล้วเราก็เพราะนั้นโอกาสเนี่ยมันก็สามารถเกิดขึ้นกับเราไดเ้เมื่อเจ็บป่วย ไม่จมอยู่ในความเจความปวดนะมีสติดูเห็นตนเห็นนะธรรมชาติความจริงของสังขารที่มันแสดงตัวออกมาตลอดเวลาเพลเล น, นะอาจจะเกิดปัญญาถึงขั้นาพาจิตหลออจากความทุกข์ได้นะอันนี้เราไปดีอย่างสุดๆเลยนะคือว่าพ้นทุกอย่างสิ้นเชิงเพราะว่าหมดความยึดมั่นถือมั่นในอุปาทานเนะี่ย อันนี้ก็เป็นความมองของชาวพุทธ่ไฟทํำนะเราก็ลองตั้งจิตออ่่าาปฏิญญาในเรื่องนี้ดูบ้างนะเพราะว่าตอนใกล้าตายเนี่ยมันเป็นนาทีทองนะอาจารย์พุทธะเคยพูดไว้ว่าคือนาทีทองของชีวิตตอนาทีทองเนี่ยมันจะเห็นได้ต้องมีสติถ้าไม่มีสติ น, นี่มันเป็นนาที น, นรกเลยนะแล้วก็สามารถตกไปในอบายได้นะเอาละชาติที่พูดท่า น, นี้ครับครัะ